การที่จะได้พบศพวาระวิชาธรรมกายนั้นไม่ใช่ง่ายๆตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว500ปีวิชาธรรมกายหายสาบสูญไปฉะนั้นการจะพบวิชาธรรมกายนั้นหากไม่ถึงเวลามวลเหล่าพระรยะก็ไม่กล้าจะมาเปิดเผยแพร่งพลายยุคนี้คือยุคของวิชาธรรมกายการจะพบโอ ก, กาสเช่นนี้ได้มีสิ่งยากสี่อยา่างจะขาดาข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ไ หนึ่งกายมนุษย์สองเกิดในมัชชิมประเทศสามศภาระสาสี่พบทรรแท้หนึ่งกายมนุษย์มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะกายมนุษย์มีแกนสันหลังตรงสัตว์อื่นแกนสันหลังขนานกับพื้นสนามแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นการที่จะพบศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงทำได้ยากแต่สัตว์จีเหล่าขาดข้อนี้ ถ้าขาดข้อนี้จะสู่ความเป็นยานพิการจะเห็นได้ว่าการที่จะได้กายนุษนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักแต่กายเรามีหกโจรอยู่คือตาหลงรูปหูหลงเสียงจมูกหลงกลิ่นลิ้นหลงรสกายหลงการสัมผัสใจโลภและสิ้นสัจจะเพื่อสิ่งที่ดีแล้วไม่กล้าควา้าและสิ่งที่ไม่ดีไม่กล้าตัดขาดจึงเป็นสาเหตุก่อพพก่อชาติ เวียนว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนี้จะเห็นได้ว่ากายนี้เป็นอันตรายจริงแต่เราก็ต้องการกายนี้คนเราเพเศกับสัตว์ตรงที่ธรรมกายได้อาศัยกายนี้อยู่และกายส่วนที่เป็นธาตุก็อาศัยธรรมเพื่อมีชีวิตอยู่จริงปลอมประกอบกันเป็นหนึ่งจริงไม่ละปลอมและปลอมก็ไม่ลาจริงจึงจาต้องอาศัยกายเพื่อช่วยบรรลุวิชาธรรมกาย ความค้นวัตตะสงสารคือยืมปลอมบำเพ็ญจริงปัจจุบันนี้มนุษย์เราครึ่งคนครึ่งอริยะอยู่แล้วทำปฏิภาปกันสามารถเป็นพุท ธ, ธเป็นพระอริยะได้ขณะเดียวกันก็ลงสู่นรกได้เช่นกันเมื่อคนเราเกิดมาในโลกถ้าไม่ระมัดระวังก็แต่เวรภัยหนักร้ายแรงกลับสู่พบดรัชฉานต่อไปก็หมดโอกาสเป็นคน ยากจะได้บรรลุธรรมฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นคนก็ยาก 2. เกิดใ น, ในมัชชิพประเทศธรรม ะ, ระททมแท้ย่อมโปรดลงในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ตรงกลางไม่เอง็งเอียงไปในทิศทางใดที่ใจกลางโลกชมพูทวีปคือทวีปเอเชียเป็นจุดเชื่อมระหว่างฟ้าและดินเป็นดินใจกลางเป็นที่ที่เป็นกุศล นับแต่พุทธกาลศาสนาพุทธรุ่งเรืองจากประเทศอินเดียจีนจบจนบัดนี้ไล่ลงมาถึงประเทศไทยในปลายยุคสามนี้ท่าบนจากนี้ก็ตกทะเลฉะนั้นแผ่นดินมัชจิมประเทศในยุคนี้คือประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจุดเชื่อมระหว่างฟ้าและดินธรรมกายจึงโปรดลงแหล่งใจกลางโลกเป็นศูนย์จกักรพรรดิเชื่อมตรงกับศูนย์พระนิพพาน หากไม่ได้เกิดในภูมิประเทศนี้ซึ่งเป็นถิ่นกาขาวเมืองศีวิไลก็<ม>เสมือนหนึ่งไปหาปลา บ, บนต้นไม้มเป็นการเหนื่อยเปล่าจึงกล่าวได้ว่าเกิดเป็นชนในมัชชิมประเทศนี้ยากสศบวารศาสายุสามปลายหรือยุคสามคัดเลือกวัดผลหรือยุคมหันตภัยกวาดล้างก็ได้หรือยุคข่าว ภาคผู้ปกครองโปรดให้โปรดทั่วสามภพเป็นยุคคำนวณธาตุธรรมกลับคืนสู่พระนิพพานจึงจําเป็นต้องใช้วิชาธรรมกายเท่านั้นองค์ต้นท่าตต้นธรรมทรงมหาเมตตาจึงม่อาจองแหนดวงแก้วบรมมาพุทธจักรอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ต่อไปจึงโปรดดวงแก้วลงจุดติเปิดเผยวิชาธรรมกายที่หายสาบสูญไปนานเป็นสดมีแก้วนองหรือพระเดชพระกลูฏ่อวัดปักน ผู้เปิดเผยวิชาธรรมกายวิชาแห่งการคำนวณธาตุธรรมกลับคืนสูรร่พระนิพพานวาระนี้จึงเป็นวาระที่ดอกบัวให้ผลต้องการลูกผลจำต้องผ่าและเอาเปลือก ด, ดำและแข็งชั้นนอกออกให้หมดจึงได้เนื้อหนเช่นกัาเสหนึ่งการค้นพบเส้นทางพระนิพพานในโลกอันมืดบนนี้หากไม่สบวาระสามก็ยากยิ่งที่จะพบวิชาธรรมกาย สีสพ บ, พบทมแทร้รมแท้หาได้ยากในสุขภโอกาสเช่นนี้แม้เราจะได้เกิดเป็นคนเกิดในมาจิมประเทศเกิดในยุคสามนี้ถือว่ามีบุญยิ่งแล้วแต่ก็ยังมีข้อยากอีกข้ออันเป็นข้อยากที่สุดข้อสุดท้ายคือพบทมแท้วิชาธรรมกายหากพบชาติในอดีตปฏิบัติผิดทางผิดวิธีทาให้ไข้เควไม่สามารถปรลุทำจริง รากธรรมไม่ลึกทำให้ทันหากิเลสอวิชาพาพัดหลงโดยเฉพาะในยุคสามปายนี้มืนศาสนาพันละทิป ร, รากฏพร้อมกันหากเราเดินผิดทางก็จะไปคว้าเอาลลทิมาได้แม้พบทำแทหากรากธรรมไม่ลึกพอก็าสามารถถูกพัดหลงทางได้ดังนั้นสิ่งยากในโลกคือการได้เกิดเป็นคนสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการเป็นคนคือการพบวิ<า>ชาธ า, ารกาย หากไม่มีบุญสัมพันธ์ที่ลึกแน่นราดีที่ปฏิบัติมาถูกมักถูกทางก็ยากที่จะพบทำแทนหนี